อันนะหมวดหนึ่งที่ควรเจริญมีอะไรบ้างพระองค์ก็เจริญเสร็จแล้วอันนะหมวดสองทำหมวด2หมวดสามหมวดสี่หมวดทุกหมวดนี่นะปัญญาทุกชนิดคุณธรรมทุกอย่างที่ควรเจริญพระองค์ก็เจริญอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และบริบูรณ์การนอบน้อมของเราที่มีต่อพระองค์ไม่ได้ทําให้พระองค์ดีขึ้นหรือเสื่อมลงเราเลิกนับถือพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์จะเสียใจเรานับถือพระองค์แล้วพระองค์จะดีใจบอกไม่มีพระองค์ก็คงเป็นพระองค์เช่นเดิม แต่การที่เรานอบน้อมต่อพระองค์นอบน้อมหนึ่งครั้งเป็นบุญหนึ่งทีเลื่อมใสหนึ่งครั้งก็เป็นบุญหนึ่งทีของที่ดีๆเช่นอาหารที่ดีเลิศประเสริฐสูงสุดขอทานแค่ครั้งเดียวก็พอใช่ไหมไม่ทําไงอะทาให้บ่อยที่สุดใช่ไหมรายได้ที่ดีๆขอรับแค่ครั้งเดียวเอางั้นไหม ขออยากได้แบบตลอดไปอ่ะนะแบบแหมนน่แน่นอนที่มันเรียกว่าหลังไหลได้ตลอดชันใดนั้นทํายังไงให้ศรัทธาของเราเกิดได้บ่อยๆเกิดได้บ่อยๆบุบคคลจะข้ามโอคะได้ด้วยศรัทธาอะข้ามทิธโธคะเนี่ยนะข้ามมิจฉาทิฏฐิได้ด้วยอานาจศรัทธาเพราะสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะปกติเอาอะไรเป็นเครื่องวัดรู้ไหมนี้สัมมาทิฏฐินี้มิจฉาทิฏฐิเอาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสินให้ ว่านี้เป็นสัมมาทิฏฐินี้เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่งั้นเราจะไปรู้ได้ยังไงว่าอะไรเป็นถูกอะไรเป็นเป็นผิดไม่รู้รหรอกเชื่ออนะของเราว่าถูกพระพุทธเจ้าว่าผิดของเราว่าผิดพระพุทธเจ้าว่าถูกเป็นต้นเนี่ยนะไม่แน่นอนหรอกอย่างอย่างเช่นใครที่ศึกษาคําสอนเนี่ยนะโดยใช้เวลานานๆหน่อยนะสิบปีขึ้นไปสักสิบยี่สิบปีหรือตลอดชีวิตเนี่ยเราเนี่ยนะใจเราเนี่ยเปลี่ยนไม่รู้กี่รอบแล้วพระพุทธเจ้าพุทธพจน์ก็คงเดิม นนั้นพุทธพจน์ก็คงเดิมไม่มีเปลี่ยนใจของเราเปลี่ยนไม่รู้กี่รอบเนี่ยนะคิดไม่รู้กี่ตลกเปลี่ยนไม่รู้กี่รอบเปลี่ยนตอกี่รอบคิดอย่างหนึ่งไปเป็นอย่างหนึ่งแต่พระพุทองค์ไม่เคยเปลี่ยนพระพุทธเจ้าไม่เคยมีความเปลี่ยนแปลงเหล่าใดเลยพระพุทองค์เป็นผู้ที่เข้าถึงอะไรว่าถึงที่สุดถึงที่สุดหมดแล้วเนี่ยนะพันเราเนี่ยต้องโอนตามพระพุทธเจ้าผิดถูกพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสิน เขาไม่ได้ตัดสินกันแค่เหตุการณ์เฉพาะหน้าพระพุทธเจ้าตัดสินว่าผิดว่าถูกเช่นบัญญัติพระวินัยเนี่ยนะพระองค์เอาอะไรเป็นเครื่องวัดอนนะถ้าเช่นพระองค์สอนวินัยว่าที่พระองค์บัญญัติวินัยเนี่ยพระองค์บอกเลยว่าเราจะอาศัยอำนาจประโยชน์สิบประการที่จะบัญญัติพระวินัยแก่เธอทั้งหลาย น, นะเพื่อความรับว่าดีแห่งสงเพื่อสําราญแห่งสง์เนี่ยนะเพื่อ อยู่ความผาสุกแห่งภิกษุผู้มีศีลอันเป็นที่รักเพื่อคมบุคคลผู้เก้ อ, อยากเพื่อกําจัดอาสวะที่บังเกิดในปัจจุบันป้องกันอาสวะที่จะมีในสัมปรายภาพเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสเพื่อความเลื่อมใส ย, ยิ่งขึ้นของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วหรือเพื่อความรับว่าเอ่อเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระศัทธรรมและเพื่ออนุเคราะห์สังวรวินยัยปหานวินยัยสมถะวินยัยแล้วก็บัญญัติวินัยเนี่ยพระองค์ก็บัญญัติพระวินัยออกไป ว่าเนี่ยอันหนึ่งที่สุใดอะไรก็พระองค์ก็บัญญัติไปหรือว่าพระองค์แสดงธรรมเนี่ยบอกว่านี้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เธอทั้งหลายพระองค์บอกเลยนะบอกนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เธอทั้งหลายที่พระองค์งบอกอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่เพื่อพระองค์แต่บอกนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแห่งเธอทั้งหลายเพื่อประโยชน์คืออะไรประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ประโยชน์โดยที่สุดคือประมัตประโยชน์นี้เพื่อประโยชน์คือเพื่อพระนิพพานสำหรับพวกเธอนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขสุขเหล่าใดหนอจะเท่าสุขในพระสมมาบัตจิตที่เป็นสุขสูงสุดโดยจิตในโสดาปติพนสกทาคามีผลอนาคามีผลและอรหัตผลระดับอรหัตผลเนี่ยเป็นจิตที่มีความสุขที่สุด แล้วสิ่งที่เกื้อกูลเนี่ยนะบำบัดทุกได้ยอย่างแท้จริงนำออกจากทุกได้ยอย่างแท้จริงก็คือโสโดาปฏิมัคสกธาคามีมัคอนาคามิมัคและอรหัตตมัคนั่นแหละคือสิ่งที่นำออกจากทุกขได้ยอย่างสิ้นเชิงเนี่ยนะนั้นอริยมัคทั้งหลายเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่เเกื้อกูล วันพระองค์บอกว่านี่นะถ้าเธอทําอย่างนี้ปฏิบัติตามนี้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่เธอทั้งหลายสิ้นกาลนานแปลอีกภาษาหนึน่งก็บอกว่าถ้าเธอทําอย่างนี้จะเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานถ้าเธอทําอย่างนี้เธอจะพ้นจากอบายทุกติวินิบาตนารกถ้าเธอทําอย่างนี้เธอจะพ้นจากชาติชรา ม, มรณะโศก ป, ปริเทวะทุกโทมนัตและอุปายาสรุปเพื่อประโยชน์ของพวกเธอทั้งหลาย ในฐานะที่พระองค์เป็นศาสถาเทวมนุษย์สานังศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะเพราะพระองค์นี่เป็นผู้ที่เรียกว่าเราเลื่อมใสในพระองค์เท่าไหร่ก็เป็นประโยชน์แก่เราเท่านั้นมันสัตว์ทั้งหลายรู้คุณของพระพุทธเจ้าเท่าใดประโยชน์สุขก็พึงมีแก่สัพพสัตว์ทั้งหลายเท่านั้นเนี่ยนะถ้าเรา เ, าเลื่อมใสในพระองค์เท่าไหร่เราก็บุญของเรา เท่านั้นทีนี้บุญอันนี้ที่มีต่อพระพุทธเจ้ายางยิ่งในปัจจุบันเนี่ยคนก็รู้คุณของพระองค์น้อยลงเช่นปุพพจริยาคุณเหตุที่สร้างความเป็นพระพุทธเจ้าสัตว์ทั้งหลายก็ไม่ค่อยรู้แล้วพระพุทธสรีระคุณสัตว์ทั้งหลายก็แต่ตอนนี้ก็ถือว่าเยอะนะค่อนข้างบูชาพระาธาตุพอสมควรก็สรีระคุณแต่ก็แม ทีละหยิบทีละยอมทีละนิยังละนิดอย่างละน้อยพระท่ า, า, า ต, ตามที่ต่างๆแต่ก็ไม่ไม่ถึงกับครบถ้วนสมบูรณ์และก็ไม่รู้ด้วยว่าเหตุที่ทําให้สรีระคุณเป็นอย่างนั้นอะ่ะมาจากอะไรเพราะความเข้าใจลดลงไปทีนี้อีกอันต่อไปก็คือพระพุทธคุณทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายก็รู้พระพุทธคุณเนี่ยน้อยลงเช่นอรหันตคุณทั้งหลายเป็นต้นก็รู้น้อยลงแล้วก็อันสุดท้ายก็คือพุทธกิจที่พระองค์ บําเพ็ญเนี่ยนะเมื่อไม่รู้กิจที่พระองค์บําเพ็ญใครจะไปจําคําสอนที่พระองค์สอนก็ไม่ต้องการจัดทรงจําคําสอนไม่รู้ว่ากิจที่พระองค์ทำเนี่ยทำเพื่ออะไร น, นะเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใดก็เลยไม่ใส่ใจที่จะทรงจําคําสอนทัานหลายท่านบอกว่ากลัวาศาสนาจะเสื่อมกลัวคนจ ะ, ะหมดความเลื่อมใสที่มีต่อพระพุทธเจ้าวิธีแก้ก็ง่ายนิดเดียว ทำให้คนรู้คุณของพระพุทธเจ้า ел. ใครที่รู้คุณพระพุทธเจ้าแล้วไม่นับถือพระพุทธเจ้าไม่มีรอกนะแต่คนที่จําได้ไม่แน่นะแต่คนที่รู้เนี่ยรู้คุณพระพุทธเจ้าที่จะไม่นับถือพระพุทธเจ้าไม่มีเพราะไม่มีใครดีกว่านี้อีกแล้วเนี่ยนะถ้าสมมติถ้า ย, ยังยังนับถือยังนับถือเรียกว่านับถือความดีอยู่เนี่ยก็ไม่รู้ว่าใครจะดีเท่ากับพระพุทธเจ้าเลวเท่าพระเทวทัตยังนับถือพระพุทธเจ้าเลย เลวเท่ากับพยายามมารในที่สุดมารก็ยังนับถือพระพุทธเจ้ามารก็นับถือพระพุทธเจ้านะตอนท้ายจริงท่านก็นับถือพระพุทธเจ้าศัตรูกันมาตลอดในที่สุดก็นับถือพระเทวทัตหาเรื่องมาตลอดก่อนจะตายก็เปลี่ยนใจมานับถือคือคนที่ดียังพอมีเชื้อแห่งความดีอยู่บ้างเนี่ยยังไงก็ต้องนับถือพระพุทธเจ้าเว้นไว้แต่เลวสมบูรณ์แบบถ้าเลวสมบูรณ์แบบเนี่ยจะไม่นับถืออะไรที่ดี นนเพราะตัวเองเลวเกินไปเรียกว่าเรียกว่าถ้าตายังมีแววที่จะมองเห็นแสงสว่างบ้างยังไงก็ต้องเห็นแสงสว่างแต่ถ้าบอดสนิทจบเลยว่งงางั้นยังไงก็ไม่เห็นชั้นผู้ที่ยังพอมีศรัทธามีปัญญาทั้งหลายถ้าเขารู้คุณของพระพุทธเจ้าเขาก็ต้องระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถามว่าเขาจะไปหานาบุญที่ไหนดีเท่ากับ พระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะถ้าจะเทียบหาหนาบุญโดยบุคคลเป็นต้นหาที่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าเขารู้จริงๆเนี่ยนะเขาจะต้องแสวงหาบุญจากพระพุทธเจ้ากราบไหว้ก็เป็นบุญสรรเสริญก็เป็นบุญใจที่ระลึกถึงก็เป็นบุญถ้ากราบหนึ่งครั้งบุญหนึ่งทีกราบแบบที่เบสกราบเป็นหมื่นครั้งก็เป็นบุญเป็นหมื่นทีเนี่ยนะ แต่หมายความว่าไม่ใช่ว่ากราบไปใจลอยไปเนี่ยไม่ใช่ตั้งใจกราบนะกราบครั้งที่หนึ่งฉันใดกราบครั้งที่สองก็ฉันนั้นกราบตอนเช้าฉันใดกราบตอนเย็นก็ฉันนั้นทุกครั้งที่กราบเป็นบุญทุกครั้งทุกครั้งที่ยกมือประนมศีส ะ, ะประนมพนมมือสิบนิ้วอันรุ่งเรืองเนี่ยนะเป็นดอกบัวตูมนะอย่าเฉาเลยเนี่ยนะไม่ใช่แบบไหว้แบบดอกบัวเฉาบอกบัวเหี่ยวนะนะก็ดอกแบบบัวตูมหน่อยนะเดี๋ยวชาติหน้าเดี๋ยวมือไม่สวย ก็ต้องอไหว้แบบดอกบัวตูมทุกครั้งที่ประนมมือไหว้ก็เป็นบุญทุกครั้งที่กล่าวสรรเสริญ น, นอบน้อมก็เป็นบุญทุกครั้งที่ระลึกถึงก็เป็นบุญที่นี้ถามว่าบุญที่จะนำออกจากวาตะควรจะมากหรือควรจะน้อยก็ต้องมากเลยแหละอธิปไตย ก, กุศล น, นะว่า ง, งั้นเป็นกุศลที่เป็นอธิบดีเนี่ยแล้วคนที่มี ส, สัทธาเรียกว่าคนที่มีฉันทะนะ คนที่มีศรัทธาก็าเรีมีฉันทะฉันทะตัวนั้นเนี่ยเรียกว่าฉันทะสมาธิประทานสังขารอาศัยฉันทะอาศัยศรัทธาเป็นบาตรที่จะทําให้บรรลุมรรคผลนนผู้ที่เจริญศรัทธาเห็นอริยสัจตามพระพุทธเจ้าโดยน้อมศรัทธาตามเนี่ยนะบุคคลเหล่านี้บรรลุโสดาปติมักขณะโสดาปติมักเรียกว่าศรัทธานุสารี ขณะโสดาปฏิมาเรียกว่าศรัทธานุสารีโสดาปฏิผลเรียกว่าศรัทธาวิมุตต์นะนะโซดาปฏิมาเรียกว่าศรัทธานุสารีโ ut, สดาปฏิผลเรียกว่าศรัทธาวิมุตต์เพราะมีศรัทธานำหน้าแต่อย่าลืมว่าศรัทธาเนี่มันต้องถ้าคนที่มีศรัทธาน้อยเนี่ยนะยิ่งสมัยใหม่ล้ะแม้ศรัทธาก็ไม่ค่อยจะมีเนี่ยเขามาบอกว่านับถือพระพุทธเจ้าดีที่สุดเนี่ยนะศรัทธาก็ยิ่งมันน้อยอยู่แล้วเนี่ยนะเรียกว่าต้นทุนน้อยควรลงทุนที่ไหน ลงทุนที่มันไม่มีผิดเนี่ยนะชันใดถ้าเรามีศรัทธาที่ไม่มากอยู่แล้วขอให้เราได้นับถือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยแปลกว่าวันแรกถ้าเรารู้คุณเนี่ยเราเลื่อมใสเท่านี้ถ้าบ่อยๆเข้าศรัทธาของเราจะเติบโตขึ้นจนมั่นใจไม่กลัวตายคนที่มีศรัทธาเนี่ยนะในพระพุทธเจ้ารู้คุณของพระพุทธเจ้าจะพูดเหมือนกันทุกคนว่าไม่เสียดายชาติเกิดเพราะอะไรถือว่าคุ้มค่าแล้วที่เกิดมาได้มีศรัทธาใน พระพุทธเจ้าไม่มีอะไรทําให้ผิดหวังอีกแล้วเพราะถึงที่สุดแล้วว่าได้มีศรัทธาในสิ่งที่ควรศรัทธาและศรัทธาที่มีต่อพระพุทธเจ้าเรียกว่าลาพานุตริยะ เป็นการได้ในสิ่งที่ไม่รู้จะได้อะไรที่มันดีกว่านี้อีกแล้วว่างั้นเถิดได้อย่างอื่นแล้วไม่สบายใจแต่ได้ศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าเป็นไปเพื่อก้าวล่วงโศกะปริเทวะเป็นไปเพื่อดับศูนย์แห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรุญญายธรรมเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งก็คือการได้ศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าประกาศว่าศรัทธาที่มีต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์แสดงในอนุตตริยสูตรเนี่ยนะว่ามีคุณค่า เหมือนสติปัฏฐานเพราะสติปัฏฐานยกสตินีถ้าอนุตริยาสูตรเนี่ยนะอนุตริยะเนี่ยยกศรัทธาเป็นหลักแต่ทีนี้ของเราสมัยใหม่มาขายโยอันเดียวคือขายสติปัฏฐานขายผิดขายถูกขายไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยนะคือคื อ, คอไม่ค่อยแบบไม่ค่อยสมบูรณ์แบบเนี่ยนะคือการศึกษาพระธรรมที่ไม่สมบูรณ์แบบเราจะยกอันใดอันหนึ่งแล้วก็ข่มอีกหลายเรื่องศรัทธาก็มีต่อพระพุทธเจ้า ปัญญาก็รอบรู้พระพุทธคุณบอกว่าเราไม่เอาศรัทธาเราจะเอาแต่ปัญญาไอ้พวกหนึ่งก็บอกว่าแหมจะเอาแต่ปัญญาไม่เอาศรัทธาไอ้พวกหนึ่งจะเอาแต่ศรัทธาไม่ขอเอาปัญญาก็ของพระพุทธเจ้าอ่ะก็เหมือนกับแบบแหมเพราะเราไม่นับถือหรอกพระเนตรเบื้องซ้ายขอนับถือแต่พระเนตรเบื้องขวาอันนี้พวกนี้มันเกินไปทั้งนั้นแหละผู้ที่ศึกษาคําสอนประเภทเนี่ยขอให้รู้เท่าที่พวกเลยทงเนี่ยนะพวกเลยทงทั้งนั้นแหละบอกแหมถ้าพระเนตรพระพุทธเจ้าถ้าพระโสพระหูกันนะเนี่ยนะ หูของพระองคขอนับถือหูขวาไม่เอาหรอกหูซ้ายพวกขอเอาแต่หูซ้ายไม่เอาหูขวาพวกที่บอกจะเอาแต่ศรัทธาไม่ขอเอาปัญญาเอาแต่ปัญญาไม่เอาศรัทธาพวกนี้ก็เหมือนกันนี่นะบางทีก็เอาข้างซ้ายแล้วไม่เอาข้างขวาเอาข้างหน้าแล้วไม่เอาข้างหลังถ้านับถือพระพุทธเจ้าก็ควรนับถือทั้งองค์เนี่ยนะถ้านับถือแต่พระศียอะไรจะเกิดขึ้นคุณก็ตัดคอพระพุทธรูปใช่ไหมถ้าชอบพระพุทธเจ้าแค่พระพักนะ คนจะตัดเศียรเทพระพุทธเจ้าเอาแต่พระพักเนี่ยไปนั่นนะเพราะอะไรเอาไปเป็นเครื่องประดับเออหน้าสวยดีเอาไปตั้งโชว์น่ยนะก็กลายเป็นว่าตัดเอาไปแต่พระเศียรแต่ถ้าขอ ถ, ถ้าเลื่อมใสทั้งองค์ล่ะจะปัดกวาดเอออะไรจะเช็ดถูจะปรนิบัติรับใช้เลื่อมใสไปทุกอย่างหมดเลื่อมใสพระพุทธเจ้าควรจะรอบด้านเพราะพระองค์เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสรอบด้านไม่ใช่เลื่อมใสข้างหน้าปฏิเสธข้างขวาเลื่อมใสข้างซ้ายปฏิเสธ ข้างขวาเป็นต้นมันก็ควรเลื่อมสายให้ครอบทางองค์มันศรัท ธ, ธาของเรานี่แหละจะช่วยให้เราพ้นจากโศกปริเทวะทุกโทมนัตและอุปาญาตผู้ที่มีเลื่อมสายในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะลูกตายก็ยังไม่เสียใจเลยเพราะศรัท ธ, ธาที่มีในพระองค์คุ้มกันให้เขาพ้นจากโศกะไม่มีเรื่องใดที่ทําให้เขาโศก น, นะมีหลายคนในสมัยพุทธกาลความที่เขามีศรัทธามั่นคงในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมีเหตุการณ์เหลา่าใดเกิดขึ้นเขายัางไม่เสียใจเลยแม้แต่ชีวิตเขาตายก็ยังไม่เสียใจที่กล่าวไปว่าเขาไม่เสียรู้สึกว่าเสียดายชาติเกิดเพราะเขามีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าชีวิตของเขาถือว่าได้สิ่งที่มีค่า เกือบจะถึงที่สุดแล้วล่ะถ้าเขามีศรัทธาระดับโลกุตระแล้วก็ถือว่าถึงที่สุดแล้วเป็นชีวิตที่ประเสริฐเนี่ยนะเป็นชีวิตที่ไม่สูญเปล่าเป็นชีวิตที่มีคุณค่ามันเราจะเราต้องมันสมาทานว่าทําอย่างไรศรัทธาที่ยังไม่เกิดก็ขอให้เกิดศรัทธาที่เกิดน้อยก็ขอให้เกิดบ่อยๆศรัทธาที่เกิดบ่อยๆทํำยังไงให้เติบโตยิ่งขึ้นศรัทธาแต่ละดวงเนี่ยแต่ละขณะแต่ละขณะให้บริบูรณ์ไพบูรณ์กว้างขวางแผ่ไป หาประมาณไม่ได้เนี่ยนะแล้วก็ตั้งเป้าหมายว่าขอศรัทธาเหล่านี้จงเป็นไปเพื่อรู้เห็นตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ทำใดก็ขอให้เราตรัสรู้ทำนั้นด้วยพระพุทธเจ้ากําหนดรู้ทุกอย่างใดก็ขอให้เรากําหนดรู้ตามพระพุทธเจ้าละสมุ ท, ทัยเหล่าใดก็ขอให้เราละสมุ ท, ทัยตามพระพุทธเจ้าตรัสรู้ทำใดแล้วพ้นทุกข์ก็ขอให้เราได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเจริญทำใดแล้วตรัสรู้ขอให้เราได้เจริญคุณ ทำเหล่านั้นด้วยมันเราก็ตั้งไปอย่างนี้นะตั้งศรัทธาไว้เป็นอย่างนี้หรอกนะถ้าตั้งศรัทธาได้อย่างนี้จริงก็ทําที่สุดแห่งทุกได้มันศรัทธานี้พระพุทธเจ้าใช้คําว่าเป็นทรับเนี่ยนะเป็นอริยซัพย์อริยรัพย์เหล่านี้ที่มีในบุคคลใดนะศรัทธานี้ใช้ได้เรียกว่าศรัทธาที่มีต่อพระพุทธเจ้า ชั่วขณะลัดนิ้วมือหนึ่งก็ยังมีค่าหาประมาณไม่ได้ถ้าเกิดบ่อยๆสามารถป้องกันให้เขาไม่ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนารกเป็นแสนกลับเนี่ยนะเพราะศรัทธาบุญกุศลเนี่ยจะช่วยประคับประคองเขาต่อไปเพราะฉะนั้นด้วยผลบุญกุศลทั้งหลายที่เราได้เจริญกันในวันนี้ขอจงเป็นไปเพื่อให้มีศรัทธาอันมั่นคงในพรนะรัตนตรัยตลอดไปเนี่ยนะวันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้